บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะาแห่งม้าสติปัฏฐานในสูตรในตอนต่อไปนั้นทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระศาสนานี้เห็นกายในกายอยู่ โดยอาศัยความเพียรสติสัมปชัญญะพึงขจัดอภิชาได้โทมนัตในโลกออกไปได้ข้อความตอนนี้มีข้อที่จะพึงทำความเข้าใจในเบื้องต้นบางประการพระธรรมเทศนาส่วนมากพระพุทธเจ้าจะใช้อาลปนะเรียกผู้ฟังว่าภิกษุนอกจากกลุ่มบุคคล ที่ฟังในคราวนั้นจะเป็นคารวานล้วนหรือว่าเป็นบุคคลเพียงบุคคลเดียวก็จะรับสั่งเรียกชื่อไปตามชื่อของบุคคลที่ทรงแสดงธรรมด้วยคำว่าภิกษุโดยความหมายแล้วจึงกลายเป็นคำกลางๆที่ใช้เรียกผู้ฟังซึ่งประชุมปนกันอยู่ทั้งฝ่ายบาปชิตและฝ่ายกิเลสเราความหมายของคาว่าภิกษุในชั้นหนึ่งนั้น แปลว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏซึ่งหมายความว่าใครก็ตามที่พิจารณาเห็นโทษของการเสวยความทุกข์ในรูปลักษณะต่างๆในขณะที่ตนมีชีวิตอยู่และการต้องเวียนว่ายตายเกิดจนหาที่สิ้นสุดไม่ได้จึงเกิดสัทธาพิจารณาเห็นถึงหลักธรรมในทางศาสนา ก็าสามารถที่จะช่วยบำบัดขจัดความทุกข์ในชั้นต่างๆจนถึงเข้าถึงความสุขที่สมบูรณ์บุคคลเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุดังนั้นพระธรรมเทศนาที่สงแสแดงจึงเป็นการแสดงสาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายแต่ในชั้นนี้พึงเข้าใจว่าเป็นการปฏิบัติระดับจิตสิกขา คือชั้นของสมาธิไม่ใช่เป็นเรื่องของจีวิตการครองเรือนทั่วไปจึงมปการเน้นหนักในเชิงจิตใจเป็นประการสำคัญโดยมุ่งที่จะให้บุคคลสามารถสงบความคิดที่สายไปด้วยอำนาจของกิเลสในลักษณะต่างๆและเพื่อเสริมสร้างปัญญาความรอบรู้ตามสภาพที่เป็นจริงแห่งสิ่งทั้งหลาย ในเริ่มต้นจริงๆก็ส่งสอนให้ดูที่กายเพราะตามปกติแล้วคนเราจะมีความกำหนัดความเพลิดเพลินความสยบติดอยู่ในกายของตนมีความสําคัญมั่นหมายเห็นว่ากายนี้มีความสวยงามน่ารักน่าใครน่าปรารถนาน้าพอใจอยู่ดังนั้นการที่จะสอนในบุคคลยอมรับความจริงที่แท้จริงของกาย จึงเป็นการทวนกระแสะความรู้สึกที่เป็นเคื้นจิตของบุคคลทั้งหลายอยู่จึงจำเป็นจะต้องมีวายวิธีในการสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นเบื้องต้นเวลาสงบแล้วปัญญาก็จะบังเกิดขึ้นภายในใจสามารถพิจารณาเห็นเหตุผลต่างๆท่องแท้ดียิ่งขึ้นข้อนี้จะเห็นได้ว่า แต่ที่จริงแล้วอาศัยพื้นฐานที่มีอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของบุคคลนั่นเองแต่ก็เพิ่มประสิทธิภาพของคุณสมบัติเหล่านั้นให้สูงขึ้นตัวอย่างในการทำงานซึ่งประเีทไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามต้องใช้ปัญญาลงไปในเรื่องนั้นสูงสติที่จะต้องใช้ก็สูงไม่จำเป็นจะต้องใช้ทั้งสติปัญญา และความเพียรในการงานเรานั้นความสงบจึงกลายเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญข้าสนับสนุนไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกแม้แต่การนับสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของเช่นนับเงินเป็นต้นต า, าก็มีจำนวนมากความสงบก็จำเป็นต้องใช้ในเรื่องเหล่านั้นถ้านับไปใครมาชวนคุยไปไปรเรียกก็เผือปรเรียกก็พลาด เราก็ต้องนับหมายกันถ้างานที่ประณีตขึ้นไปกว่านั้นเรื่องของความสงบจึงมีความจําเป็นมากจึ ง, างงานวิเคราะห์วิจัยต่างๆจะต้องอาศัยความสงบเป็นฐานสนับสนุนถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่อาจที่จะทํางานเหล่านั้นให้สําเร็จไปได้ด้วยดีการปฏิบัติในทางจิตใจเพื่อศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกายก็มีลักษณะอย่างนั้น จำเป็นจะต้องอิงอาศัยความสงบเป็นพื้นฐานของใจโดยเริ่มมาจากความสงบในสถานที่อยู่ที่บาลีใช้คำว่ากายจวิเวคคือสงัดกายได้แก่การหลีกเร่นไปหาความสงบหรือไม่อย่างนั้นต่างคนต่างก็ช่วยกันควบคุมให้เกิดความสงบขึ้นแม้จะมีการประพฤติการปฏิบัติร่วมกันในสถานที่เดียวกัน ซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้ในสมัยพุทธกาลเองพระใจบิดกทั้นก็นแสดงถึงว่าเวลาฟังพระธรรมเทศนาหรือแม้แต่ว่ากระทาพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นสวดปาฏิโมกข์เป็นต้นบุคคลสามารถมณสิการถึงกรรมฐานในขณะนั้นได้เพราะว่าถึงแม้จะมีเสียงอยู่ในที่นั้น แต่ก็เป็นเสียงเพียงอย่างเดียวสามารถที่จะเป็นอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ใจเกาะอยู่กับเสียงนั้นได้เกิดความสงบขึ้นมาได้อย่างการฟังเทศหรือควังสวดในบางครั้งถ้าบุคคลมีสติระลึกตามคําสวดหรือคําเทศเหล่านั้นไปก็สังเกตเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตว่าจิตจะเริ่มตัดอารมณ์ภายนอกโดยลําดับ และในที่สุดก็จะสงบอยู่ในเสียงสวดซึ่งอาจจะเป็นเสียงที่ตนสวดเองหรือฟังที่คนอื่นเ็าสวดและเสียงของธรรมเทศนาที่พระท่านแสดงไปต้นดังนั้นเสียงเหล่านั้นจึงถือว่าเป็นสัทธาสัญญาคือการกาหนดหมายให้เห็นว่าเป็นเสียงอาจจะก่อให้เกิดเป็นความสงบก็ได้ถ้าหากวก่าเกาะไว้เฉยๆอาจจะก่อให้เกิดปัญญาก็ได้ ถ้าหากว่าบุคคลพิจารณาตามไปในเสียงที่ตนไปกำหนดนั้นการพิจารณาถึงเรื่องของกายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่เป็นการสอนให้บุคคลมองถึงความจริงอีกชั้นหนึ่งจากที่ตาของตนเห็นจากที่หูของตนได้ยินจากจมูกของตนได้สูดดมเป็นต้นตะงนั้นในกรณีนี้ท่านจึงกล่าวไว้เป็นทานองปริศนาธรรม ว่าเมื่อบุคคลเห็นอยู่ก็ไม่ได้เห็นสิ่งที่บุคคลเห็นอยู่สิ่งนั้นก็ไม่ได้เห็นจึงก็หมายความว่าในขณะที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกดิ้มด้วยลิ้นแด้ถูกต้องด้วยกายนั้นเป็นการเห็นการได้ยินการทราบการรู้การทราบเพียงประสาทสัมผัสเท่านั้นแต่ภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไร บุคคลก็ไม่ได้เห็นการปฏิบัติกรรมาฐานจึงมุ่งเห็นทั้งสองด้านคือด้านที่เห็นด้วยประสาทสัมผัสและด้านที่เห็นด้วยปัญญาจักษุคือเห็นด้วยปัญญามองทะลุสิ่งที่ปรากฏไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏหรือภาวะอันแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งในกรณีนี้ในเชิงของการปฏิบัติถ้าหากว่าปัญญาของบุคคลเกิดขึ้นทัน ต่ออารมณ์ที่ปรากฏขึ้นอาจจะอาศัยอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของตนที่ปรากฏในขณะนั้นเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ความจริงของร่างกายก็ได้แต่ที่ทรงแสดงนั้นทรงแสดงเป็นรูปเป็นระบบเพื่อให้บุคคลเลือกประพฤติปฏิบัติไปถึง16วิธีด้วยกันใน16วิธีเหล่านั้น บุคคลอาจจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้โดยหาความเข้าใจในลักษณะที่ทวนกระแสต่อความรู้สึกที่ถูกย้อมด้วยกิเลสดังกล่าวในชั้นแรกท่านจึงให้เข้าใจคำว่ากายคำว่ากายนั้นแปล ว, ว่าแหล่งที่ประชุมแห่งสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเมื่อรวมกันเข้าก็กลายเป็นกุอายะ คือแหล่งประชุมของสิ่งสกปรกน่าเกลียดต่างๆมีผมขนและฝันเป็นต้นตนี้ก็คือความจริงที่ปรากฏในร่างกายดังนั้นผู้มีปัญญาสามารถอาศัยสิ่งทั้งตนเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันพิจารณาเห็นทั้งความปฏิกูลของร่างกายก็ได้เว่าการที่บุคคลจะต้องมีเครื่องอบเครื่องหอมตลอดถึงเครื่องฟอกล้าง ขัดถูร่างกายนั้นถ้ า, ากาถามว่าขัดถูไปทําไมก็เพื่อขจัดสิ่งที่สกปรกสิ่งที่เป็นมลชินของร่างกายก็อันที่มีการน้ําอบน้ําหอมปรับพรมเพื่ออะไรก็เพื่อบําบัดกลิ่นเพื่อปกปิดกลิ่นที่แท้จริงของร่างกายนี้แสดงว่าร่างกายเป็นอะไรก็แสดงว่าร่างกายนั้นเป็นที่ประชุมแข่งสิ่งสกปรกทั้งหลายสิ่งปฏิกูลทั้งหลายนั่นเอง ถ้ร่างกายมีความสะอาดมีความสวยงามโดยสภาพการกระทำในลักษณะดังกล่าวจึงไม่มีความจำเป็นอะไรแต่ก็จริงคนก็คิดไม่ได้ระลึกไม่ได้เพราะอะไรเพราะตามปกติแล้วใจจะถูกย้อมด้วยกิเลสและมีพื้นจิตที่ประกอบด้วยกามธาตุคือเชื้อของความรักใคร่พอใจอารมณ์ทั้งหลายและสิ่งทั้งหลาย มักจะถูกปรุงแต่งให้บุคคลหลงผิดเข้าใจผิดอยู่เสมอลักษณะเหมือนกับโรงหีหบศพหรือโรงศพซึ่งบรรจุซากศพอยู่ในภายในแต่ก็จริงแล้วคนก็ไม่เห็นซากศพที่มีอยู่ในภายในโรงนั้นเวลาเห็นก็มีความชื่นชมถึงความสวยงามความมิจิตสการตาของโรงศพที่มีการตกแต่งมีการประดับประดาไว้เป็นอย่างดี การมองโลกมองกายหรือมองชีวิตของบุคคลในโลกนี้จึงสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือกลุ่มของบุคคลที่ไม่ได้เห็นด้วยปัญญาอันชอบกับกลุ่มของบุคคลที่เห็นด้วยปัญญาอันชอบมองโลกในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันแต่ก็มีความรู้สึกต่อโลกต่อสิ่งเหล่านั้นแตกต่างกันอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้า รับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุดราชนรสที่พวกคนเข่าคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้หาคล่องอยู่ไม่ซึ่งก็หมายความว่าในโลกเดียวกันในกายเดียวกันในวัตถุเดียวกันนั้นพื้นจิตของคนที่แตกต่างกันสามารถมองเห็นความแตกต่างกัน ทั้งๆ ท, ที่โดยสภาวะแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจของบุคคลที่มีความรู้หรือไม่มีความรู้เป็นตัวกำหนดหมายเป็นตัวแสดงลักษณะของสิ่งเหล่านั้นสมัครบุคคลสมัร บ, บุคคลที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาจะมองเห็นโลก เป็นความสวยงามเป็นความวิจิตความสะการตาในลักษณะต่างๆมีความชื่นชมยินดีสยบจิตเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งนั้นเหมือนกับการมองเห็นราชรถซึ่งมีการประดับประดาตกแต่งใช จ, จนวิจิตพิสดารแต่สำหรับท่านผู้รู้แล้วท่านก็มองราชรถคันนั้นนั่นเองจะกลับมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วราชรถ เป็นเพียงการนำเอาวัตถุต่างๆเข้ามาประกอบกันอย่างมีสั์มีส่วนโดยความฉลาดของนายช่างแต่ว่าเอาแคจริงแล้วเมื่อแยกย่อยออกไปความเป็นราชรถที่ประการตาก็หายไปกลายเป็นท่อนไม้กลายเป็นชิ้นเศษส่วนต่างๆซึ่งเคยอยู่ในราชรถเหล่านั้นการมองร่างกายในแนวนี้ จึงต้องอาศัยพื้นของสมาธิดังกล่าวคือสงบใจเในเบื้องต้นแต่การจะทำใจให้สงบได้ก็อีกหละใจโดยธรรมชาตินั้นก็คือรับรู้อารมณ์เก็บอารมณ์คิดอารมณ์แล้วก็รู้อารมณ์ต่งตางๆสิ่งที่ใจเก็บเอาไว้ส่วนมากจะมีลักษณะสับสนตามปกติแล้ว จะเก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้มากหรือแม้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็เก็บเอาไว้โดยขาดการใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบในสิ่งเหล่านั้นเมื่อนำมาคิดมันก็น้อมเอียงไปตามสิ่งที่ตนเก็บเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าจิตจะคิดได้เฉพาะเรื่องที่ตนเก็บไว้เท่านั้นเมื่อสิ่งที่ตนเก็บมีลักษณะสับสนและไม่แจ่มแจ้งชัดเจน ความคิดก็เกิดสับสนไม่แจ่มแจ้งชัดเจนตามไปด้วยเวลาเกิดความรู้ในเรื่องเหล่านั้นก็เป็นความรู้ที่ไม่ชัดเจนแจ่มแจ้ ง, จงอย่างที่สรงใช้คำว่าเป็นสมัปปัญญาคือความรู้อันชอบดังนั้นการควบคุมใจให้สงบและแม้แต่การใช้ปัญญาพินิษ์พิจารณาจึงทรงแสดงธรรมะสามประการเป็นหลักไว้เสมอ สามประการนี้พึงเข้าใจว่าเป็นหลักเดียวกันกัาวที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เมื่อตอนสแสวงหาทางจัดสรุปแต่ตอนพระพุทธเจ้าทรงใชทง้ทรงรับรับสั่งว่าเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแต่คำว่าความไม่ประมาทนั้นแท้ที่จริงก็คือเรื่องของสติ ที่เรียกว่าสติมาคือมีสติคำว่ามีสตินั้นหมายถึงมีสติประจำอยู่ทุกขณะที่กาหนดกับอารมณ์นั้นๆมีความเพียรก็คือหลักที่ทรงใช้คำว่าอาตาปีมีเจจำนวนเนแน่วแน่คือมีความตั้งใจจริงที่ประกอบด้วยความรู้ก็คือสมอามัญชนยะดังนั้นในประสูนย์นี้จึงทรงแสดงธรรมะสามข้อเหมือนกัน จะสรงใช้คำว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยะโลเกพิชาโดมันสังแปลว่ามีความเพียรเผากิเลสได้ร่าเรอนมีสัมปชัญญะคือความรู้ทั่วและรู้พร้อมซึ่งหมายความว่าเป็นความรู้ทันที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะสติมามีสติกรรมกับจิตไม่พลากไปจากจิตไม่พลากไปจากอารมณ์ มุ่งขจัดสิ่งที่เรียกว่าอาภิชาและโทมนัสให้ออกไปจากจิตใจอาตาปีที่แปลว่าความเพียรซึ่งเผากิเลสให้ร้อนนั้นเนื่องจากเป็นการปฏิบัติในทางจิตใจถ้าหากว่าความเพียรของบุคคลที่ใช้ไปเพื่อการนี้อ่อนการปฏิบัติก็ไม่อาจที่จะสำเร็จได้เพราะต้องทวนกระแสกิเลสกระแสอารมณ์ขึ้นไป โดยในยะที่กล่าวแล้วถ้าจะถามว่าเผากิเลสประเภทไหนให้ร้อนก็คือเผากิเลสประเภทที่เรียกว่าอภิชาและโทมนัสนั่นเองให้ร้อนกิเลสประเภทที่เรียกว่าอภิชานั้นคือกิเลสประเภทดึงเข้ามาหาตัวซึ่งได้แก่กลุ่มของความโลภความปรารถนาหรือว่าตันหาหรือกามฉันนั่นเองกิเลสประเภทที่ดึงเข้ามาหาตัวนั้น ส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากใจซึ่งกำหนดหมายว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจและกิเลสอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าโทมานต์โทมานั์ก็คือความคับแค้นความไม่พอใจความไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นได้แก่กลุ่มของกิเลสประเภทที่ผลักดันออกไป ไม่ปรารถนาไม่ประสงค์ให้สิ่งเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกับตนมาปรากฏในที่ต่อนหน้าตนหรือว่าอยู่ภายในจิตใจของตนเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็เกิดจากอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาดังนั้นจะเห็นได้ว่าอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาในจิตใจของตนนั้นจะออกมาในรูปการกําหนดหมายว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาน้าพอใจ แล้วไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาะไม่น่าพอใจส่วนอารมณ์ที่เป็นกลางๆนั้นมีน้อยถึงมีก็ไม่ค่อยมีอิทธิพลอะไรที่จะสร้างกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นประการที่สำคัญจึงทรงใช้คำว่าอิทธารมกับอนิถารมอารมณ์มที่น่าปรารถนาะกับไป่นน่าปรารถนาะความเพียรที่เกิดขึ้นจึงต้องเป็นไปแรงกล้า ก็าตามปกติแล้วกระแสของความคิดก็จะมีความรู้สึกดังกล่าวผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสคือพอใจก็ปรารถนาะไม่พอใจก็เกิดโทมนัสหรือพอใจก็เพิ่มอวิชชาไม่พอใจก็เกิดโทมนัสจะมีอย่างนี้อยู่เสมอในชีวิตของคนหากว่าความเพียรหย่อนก็แก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้คล้ายๆกับว่าน้ําสกรปรกไหลเข้ามามาก แต่ว่าเครื่องสูบเล็กนิดเดียวก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ในที่สุดก็ถูกน้ำท่วมจนได้ความเพียรจึงต้องเป็นไปแรงกล้าและต้องใช้ความเพียรทั้งทางกายและทางจิตใจในการปฏิบัติจริงๆนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจว่าไม่จำเป็นจะต้องติดในรูปแบบอยู่เสมอเพราะตัวการสำคัญจริงๆอยู่ที่ความรู้และสติ เวลาประสบอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าถ้าหากว่าบุคคลรู้ทันต่ออารมณ์ดอนนั้นและมีสติทำหน้าที่ระลึกหรือทำหน้าที่ปิดกั้นกระแสของอารมณ์เอาไว้หรือตัวสัมปชัญญะทำหน้าที่ไปตัดกระแสของอารมณ์มันก็ยุติความปรารถนาและความไม่ปรารถนาได้เป็นการปิดกั้นแม่เชื่อของ กิเลส ท, ทั้งหลายดังกล่าวแล้วเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของตนแต่ส่วนมากแล้วในการเริ่มต้นก็จำเป็นจะต้องทำตามรูปแบบที่ทรงวางเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อสร้างความภูมิสร้างภูมิมทัทานให้แก่จิตใจให้มีความแข็งแกร่งความเพียรเป็นไปในลักษณะที่สืบต่อไม่ขาดสายคือพร้อมที่จะทำใจให้สงบพร้อมที่จะใช้ปัญญาินิพิจารณา ในอารมณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นซึ่งในกรณีนี้อาจจะอยู่ในอิทธิบาอื่นก็ได้แต่ถ้าหากว่าพอจะมานัศิการถึงอารมณ์ของกรรมฐานได้กามนสศิกาจะในขณะนั้นๆอาจจะในขณะที่นั่งอยู่ในยานภาณะหรือว่ากําลังก่อนที่จะหลับหรือว่าอาบน้าตกแต่งร่างกายอยู่เป็นต้น ก่ จ, จะบรรณาสิการทังกรรมฐานบวกไปในอารมณ์เหล่านั้นได้ซึ่งเป็นการเพิ่มเชื้อของความสงบเชื้อของความรู้ความเข้าใจให้สูงขึ้นเป็นการเสริมสร้างความรู้เหตุผลหรือธรรมะให้มีปริมาณพอที่จะสลายความเข้มข้นของกิเลส ท, ทั้งสองประการลงไปได้ความเพียรในจุดนี้ เมื่อบุคคลปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็จะต้องอยู่ในจุดที่เรียกว่าสติเกิดขึ้นทันปิดกั้นกระแสของอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของตนไม่ก่อให้เกิดความยินดีและความยินร้ายซึ่งหมายความว่าเป็นชั้นของการป้องกันโรคประการต่อไปก็คือว่า ความเพียร น, นั้นจะต้องมีกำลังแรงในการขจัดบรรดากิเลสบาปกุศลที่มีอยู่แล้วภายในจิตใจให้เจือจางและเบาบางลงไปตามลาดับตามลาดับซึ่งเป็นชั้นของการบาบัดโรคเราจะต้องเป็นความเพียรพยายามในการที่จะเพิ่มพูนกุศลคือความดีให้สูงขึ้นภายในจิตใจซึ่งเป็นชั้นของการบารุงสุขภาพร่างกาย ชั้นของการบำรุงจิตใจและประการต่อไปนั้นเป็นการเพิ่มภูนบุญกุศลหรือความดีให้สูงขึ้นโดยลําดับซึ่งเป็นชั้นของการบริหารร่างกายรักษาสุขภาพพลานามัยของตนไว้ร่างกายกับจิตใ จ, จก็มีลักษณะเช่นเดียวกันร่างกายที่ได้รับการป้องกันสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยขจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมีการบำรุงมีการบริหารที่ดี ก็กลายเป็นร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพพลานาใหม่ดีเช่นใดจิตใจที่มีการป้องกันโรคใจคือความปรารถนาและความไม่ปรารถนาไว้ในขณะเดียวกันก็ขจัดสิ่งที่เป็นโรคออกไปโดยการบำรุงรักษาบำรุงร่างกายของตนให้มีความแข็งแรงและมีการรักษาบริหารบริหารจิตใจอยู่จิตใจก็จะมีความแข็งแกรง่ง พร้อมที่จะขจัดสิ่งที่เรียกว่าอภิชาและโทมนัสให้ออกไปและอย่างน้อยที่สุดก็บันเทากระแสะความรุนแรงของกิเลสทั้งสองประเภทนั้นอันจะนำใจของผู้ปฏิบัติให้เกิดเป็นความสงบเป็นความรู้ขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนแต่ว่าผลเช่นนี้จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปฏิบัติได้นั้น จำเป็นจะต้องอาศัยสัมปชัญญะคือความรู้ทั่วพร้อมสัมปชัญญะแ ท, ท้จริงก็คือตัวปัญญานั่นเองแต่ในที่นี้ทรงใช้คำว่าสัมปชนะคือหมายความมารู้ทั่วด้วยแล้วก็รู้พร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, นด้วยถ้าจะอุปมาให้เห็นง่ายได้ชัดๆก็คือว่าเหมือนกับแขกที่มาสู่บ้านของเรา บุคคลจะต้องรู้ในขณะนั้นว่าเป็นใครมีฐานะอย่างไรควรจะให้เข้ามาหรือไม่ให้เข้ามาแต่ถ้าหากว่ารู้ช้าไปรอยให้จนบุคคลนั้นเข้ามาภายในประตูใหญ่เข้ามาถึงภายในเรือนของตัวเองแล้วเกิดรู้ขึ้นทีหลังว่าใครเป็นใครอย่างนี้ก็เป็นการสายเกินไปความรู้ในชั้นนี้จึงไม่ได้หมายความว่า แร่ต้องไม่ให้ทุกคนเข้ามาหรือให้ทุกคนเข้ามาแต่เป็นการตัดสินวินิจฉัยอารมณ์เป็นการตัดสินวินิจฉัยคนว่าใครเป็นใครมีฐานะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูนั่นเองในกรณีของผู้ที่เป็นมิตรก็ให้เข้ามาก็เหมือนกับฝ่ายที่เป็นกุศลธรรมซึ่งก็ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันถ้าเป็นกุศลธรรมก็ปล่อยเข้ามาแต่ถ้าไม่เป็นถ้าเป็นอกุศลธรรม ก็ไม่ปล่อยให้เข้ามาความรู้จึงต้องเกิดขึ้นทันไม่ใช่ว่าเมื่อเข้ามาถึงจิตแล้วจึงรู้แต่ในชั้นการปฏิบัติที่ลดลันลงมาถึงเข้ามาแล้วรู้ก็แก้ไขได้ที่ร้ายและรุนแรงก็คือว่าโจรเข้ามาถึงบ้านแล้วยังไม่รู้จึงเกิดเป็นอันตรายแก่บุคคลขึ้นมาได้จิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน สัมปชัญญะสัมปชาบางครั้งก็เรียกว่าสัมปชัญญะบางครั้งก็เรียกว่าปัญญาแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือธรรมะที่มีหน้าที่รู้อารมณ์และตัดอารมณ์จึงก็หมายความว่าอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ตัดสินว่าเป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ตัดสินว่าเป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลก็ตัดไม่เข้ามาสู่จิตอารมณ์ที่เป็นกุศลตัดสินแล้วว่าเป็นกุศล ก็ปล่อยให้เข้ามาสู่จิตการปฏิบัติธรรมะที่จริงไม่ว่าในชั้นกรรมฐานหรือชั้นที่ต่ำกว่านั้นเรื่องของความเพียรพยายามเรื่องของสัมปชัญญะและสติย่อมเป็นอุปการะอย่างสำคัญสาหรับบุคคลผู้ปรารถนาความสงบหรือความเจริญในชีวิตของตนต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป